กำหนดรูปไปเรื่อยๆจะเทศให้ฟังถ้าเราเห็นตัวเราว่าเป็นของเที่ยงอยู่ก็เรียกว่าเห็นผิดถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงยิงจะถูกเห็นว่ามันมีเกิดมีแก่มีเก็บ ม, ม, มีตาย อันนี้เราเห็นถูกก่อนที่เราจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปในหัวใจของเราก่อนให้ใจของเรามีธรรมะก่อนก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปคือแก่เก็บตายไปเราต้องเอาธรรมะเข้าให้หัวใจของเราก่อน ใจของเรานี่ต้องการธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วมีสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นเย็นในภายในเราทําไปแต่และวันละวันมันก็ได้ทุกวันถ้าเราไม่ทํามันถึงไม่ได้ถ้าไม่ทําเราไม่ได้ เหมือนคนไม่กินอาหารเนี่ยแหละก็หิวใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะก็หิวเหมือนกันความชั่วความเลวต่างๆก็ได้โอกาสเราก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีความสุขทางใจถ้าเราพยายามที่จะทํำสิ่งที่ดีขึ้นมาให้ใจของเรา คือการทำสมาธิฝึกสมาธินี่แหละฝึกสมาธิวิปัสสนานี่แหละทำมันให้มันเกิดให้มมีขึ้นในใจของเราถ้ามันเกิดมันมีขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นภายในต้องตั้งใจปฏิบัติ ผ่านมาแต่ละวันละวันเราก็ได้ทุกวันแหละจะอยู่นานปั๊บนี้นก็ตามถ้าเราทำปับ๊บมันก็ได้ปั๊บทันทีได้อะไรได้ความสงบได้ธรรมะได้ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่ทำเสี่มันก็ไม่ได้ มันก็ไม่เกิดความดีขึ้นมาในใจถ้าเราทําทุกวันมันต้องได้ทุกวันเราอยู่ที่นี่เราทําเป็นรูปแบบแต่ถ้าเรากลับไปแล้วเราจะไปทําอย่างนี้งคงทําไม่ได้เพราะหน้าที่การงานบ้างอะไรบ้างทุลาธที่จะต้องไปทําหน้าที่ที่จะต้องทํา แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทํำยังไงเราถึงจะเข้าสมาธิได้เราก็คอยดูลมเราถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะเห็นลมนเย็นๆนี่หรอกล ม, มเย็นๆที่จมูกหนจะเห็นอยู่เราไม่มีโอกาสจะนั่งสมาธิเป็นรูปแบบอย่างที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้เราก็หาเวลาว่างสักนิดหนึ่งคอยดู คอยดูลมหายใจของเราหรือทําทำงานอยู่เราก็ลองลองคอยดูคอยดูลมหายใจของเราลมหายใจก็จะแผ่วเบาจิต ก, ก็จะเย็นลงสงบลงหรือเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วใจเราก็อึดอัดขาดคล้องขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาในใจ เราก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นเราหันมาดูลมหายใจของเราพอเรามาดูลมหายใจเราก็จะรู้ว่าโอ้ใจเรามันไม่สงบมันไปยึดอารมณ์ต่างๆอยู่เราก็คอยดูคอยดูลมเนี่ยใจมันก็จะเย็นลงมันจะวางอารมณ์ภายนอกมันจะเหลือแต่รู้ เห็นลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นใจก็จะสบายขึ้นอันนี้เรียกว่าทำเป็นถ้าทำไม่เป็นก็กลับไปแล้วก็ไม่สนใจไม่ทำอะไรอีกเลยไม่รู้วิธีว่าจะรักษาความสงบในใจยังไงเราก็จะดินน้นรนใจก็จะไม่สบายไม่สงบ ไม่เป็นสุขเราต้องทําต้องหัดต้องทําไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าเราทํากี่วันนี่พอแล้วไม่ต้องทําอีกก็ได้เราทำมามากแล้วไม่ใช่อย่างนั้นกลับไปแล้วเราก็ต้องทําทําเป็นรูปแบบอย่างน้อยวันหนึ่งสักครั้งหนึ่ง จะได้กี่นาทีก็เอาได้ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็เอาเราให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเน่ยเราให้เวลาได้มากให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเราให้มากทั้งวันเลยให้เวลาแก่เราเองเพียงสามสินาทีเราจะให้ไม่ได้เหลือเราต้องทําได้ต้องทําเป็นพราะเราทําเป็นอยู่แล้ว เรากลับไปเราก็ต้องคอยรู้รู้ใจของเราคอยดูมันสงบไหมถ้าไม่สงบเราจะทํายังไงเราก็หาดูลมลมมันเข้าฐานไหนมันอยู่กลางจมกูกต้นจมกูกปลายจมกูกเราหายใจลึกดูลมกระทบตรงไหนเราก็ต้องตั้งสติไว้ตรงนั้น พอเฝ้ารู้เห็นในตรงนั้นใจเราก็จะเบาสบายขึ้นมาเรียกว่าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งถ้าเราชำนาญแล้วเราทำให้ได้ทั้งวันแหละอะไรกระทบปั๊บเราก็ต้องรู้พอมากระทบใจเราปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้น มันเกิดความโลภขึ้นมามันเกิดความโกรธขึ้นมามันเกิดความหลงขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ชำระกิเลสอันนี้แหละออกไปโดยการทำกิจให้เป็นสมาธิถ้ามันโผล่ขึ้นมาในกิจเราเราก็เข้าสมาธิเสียกิเลสเลนั้นก็จะล่วงหลดลงไปจากใจเรา ใจเราก็จะสบายเป็นสุขสงบเยือเกเยน็นนี่เป็นวิธีทมหรือวิธีฝึกหัดเมื่อหลังจากจบคอดไปแล้วเรานั่งอยู่ไม่มีธุระภาระอะไรเราก็สามารถดูลมได้เราก็ดูลมเรื่อยๆไปมีงานทำเราก็ทำพอมีเวลาว่างเราคอยดูลม ก็เรียกว่ า, ร, ารักษากิตของเราตลอดเรียกว่าให้อาหารแก่ใจทำใจให้เป็นหนึ่งใจมีอารมณ์เดียวนี่อย่าคิดว่าเราทำเท่านี้พอแล้วหนักเหนื่อยเต็มที่แล้วเราไม่ต้องทำอีกก็ได้อะไรอย่างนี้ อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้รู้เห็นอยู่ตลอดเห็นใจของเราอยู่ตลอดเราถึงจะรักษาได้ไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นเราสามารถรักษาใจเราได้อันนี้มันสําคัญเราต้องคอยคอยสังเกตตัวเองตลอด อารมณ์ความโลภเกิดขึ้นแล้วเนอะแก่เราอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอะความหลงเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอะเราต้องรู้ทันฝึกมาตลอดเกวียนรู้ทันแน่นอนเราจะไปอยากโอ้มันไม่สงบมันสงบเราจะไปคิดต่เพียงเท่านั้น ให้รู้ว่าเรารู้ใจของเราให้เรารู้ใจของเราว่า ก, กิเลสเกิดขึ้นอะไรอย่างกระทบอารมณ์อย่างนี้กิเลส อ, อะไรเกิดขึ้นเขาด่าเขาว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราความโกรธก็เกิดขึ้ น, นมีสิ่งยอ่อโยนกวนใจความหลงก็เกิดขึ้นเราต้องระวัง ไม่ให้มันเกิดโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเบาๆอ่ อ, อนๆเราก็จะเห็นความสบายภายในใจของเราตลอดเราจะทำอยู่กี่ปีกี่เดือนจนถึงวันเราจากโลกนี้ไปน่เราทำไปเรื่อยๆเราได้แล้วเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งของดีสิ่งที่ดีเราไม่ทิ้ง กว่าเราจะมาได้กว่าเราจะมาปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่ามาได้ตามชอบใจต้องหาเวลาอย่างมากหลายวันหลายเดือนหลายปีบางคนคิดสะสมวันลาไว้ตั้งเป็นวีปีกว่าจะมาได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนังกงานเป็นลูกจ้างกว่าเราจะมาได้ เรามาได้แล้วเราก็เรารู้แล้วเรามาแล้วเรารู้แล้วเราทำเป็นแล้วเราก็ทำให้มันชำนาญคือทำอยู่บ่อยๆคอยคกำหนดรูลมบ่อยๆหาโอกาสทำบ่อยๆมันมีหรอกเวลาว่างสำหรับชีวิตเนี่ยวันหนึ่งๆเราก็มี ไม่ได้ทํานั้นไม่ได้ทํานี่เราก็ลองกําหนดดูลมปับ๊บดูหรือทํางานอยู่เราก็ลองดูลมปั๊บดูพอเราดูลมปับมป๊บใจเราก็เย็นวับลงไปเลยนั่นถูกแล้ ว, ลวถ้ามันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ไม่เอาไม่เอาความโลภความโกรธความหลงอันนั้นที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราไม่เอาเราไม่เอ า, เาเอาันนั้นเราต้องหาวิธีแก้ไข เกิดราคาขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาถึงอ ส, สุภะความไม่สวยไม่งามพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามเรียกว่าเราพิจารณาความจริงพิจารณาจนเหตุมันยอมรับนั่นแหละจนใจมันยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเรานี่ มันเป็นของส่งผลปติกูลกิ่งไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นคอยดูคอยพิจารณาไปมันก็วางถ้ามันเกิดข้อมโกรธขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็พิจารณาแผ่เมตตาคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขความเจริญเหมือนกัน ไม่อยากได้ยินสิ่งที่เทือนใจเหมือนกันเหมือนกันกันกบเราเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นมิตรภาพคนอื่นคาว่าเ ม, ามตตามาจากคาว่ามิตรภาพคือความเป็นมิตร เอาอีเป็นเอตามหลักภาษาบาลีเลยเป็นเมตตาก็แผ่เมตตาให้คนอื่นให้โลภเห็นใจใคนอื่นคนอื่นก็มีทุกข์เหมือนกันกับเราเราก็มีทุกข์เหมือนกันกับคนอื่นได้เกิดมาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกมีทุกข์ทุกคน พความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันทุกข์อยู่เป็นประจำเลยแหละเขาเรียกว่าทุกข์ประจำเราก็พิจารณาเผื่อเมตตาไปให้คนอื่นสัตว์อื่นใจเราก็จะเย็นลงสบายลงถ้ามันเกิดความหลงขึ้นมา ไม่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วความหลงในเหมือนตาข่ายดักใจของเราไว้เราจะทำดีมันก็ไม่ให้ทำมันพยายามให้เราทำชั่วเราจะคิดดีมันก็ไม่ให้คิดมันให้คิดชั่ว เราจะพูดดีมันก็ไม่ให้พูดมันให้เราพูดชั่วเราจะทำความดีมันก็ไม่ให้ทำไม่ต้องทำละทำสิ่งนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเราติดอยู่ใต้อำนาจของความหลง โรความเกิดความแก่ความเก็บความตายหลงโลกหลงสงสารนั่นนี่แหละความโกรธความโลคความหลงความหลงนี่มันบังคับใจเราเราก็พิจารณาถึงความกิงควาทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยใต้ตกอยู่ใต้กฎของความกิงเท่านั้น คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นชัดลงไปในตัวเราเราก็จะวางความยึดความติด น, นั้นได้หรือความโกรธความโลภความหลงนั้นได้พี่นาถึงความจริงในตัวเราว่าเราก็จะเก็บเหมือนกันกับเขาเราจะแก่เหมือนกันกับเขาเราจะตายเหมือนกน ก, นกับเขาไม่ต่างกันเลยคนเราเกิดมาในชีวิตอันนี้ ให้เราพิจารณาอย่างนี้จใจเราก็จะหายหลงจใจเราก็จะสบายพูดง่ายเอากิริยออกจากใจแต่ไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ทันนี้กิงโง่มันไปก่อนนวจนไปด่าเขาแล้วมันถึงนึกขึ้นมาได้โอ้เราเดินทางผิด เราก็ต้องแก้ไขแก้ไขตัวเราให้มันดีเรามาแล้วเราได้โอกาสแล้วเราได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติดูแล้วเราเห็นใจของเราแล้วว่ามีความสุขสงบอย่างไรสบายอย่างไรไม่ดียังไงเราเห็นหมดแล้วเราต้องตั้งใจของเราไว ต่อไปเราจะไม่ทำสิ่งนี้อันเป็นทางผิดเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะทำแต่สิ่งที่ดีงามก็เรียกว่าเราได้สติเรามีสติสติความรู้สึกระลึกได้แล้วแต่ว่าอันนี้ผิดเราก็ไม่ทำสิ่งที่ผิดเราทำแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีสิ่งที่งาม สิ่งที่ประเสริฐให้กับตัวเราเองสิ่งไหนไม่ดีเราไม่ทําสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่พูดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่คิดนีด่เขาเรียกว่าเราเดินตามมรรอริยมรรคปี อ, องแปดเราเดินตามอริยมรรคปี อ, องแปดเราทําตามอริยมรรคปี อ, องแปด ถ้าคนปฏิบัติตามอมาริ ย, ยปยองแปดปฏิบัติอยู่ทำอยู่ทำชอบอยู่ทำถูกต้องอยู่สักวันหนึ่งกิจของเราต้องเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นจากพุทุชนธรรมดาเป็นพระริยบุคคล ถึงพระญาบุคคลชั้นต้นก็ถึงญาบุคคลชั้นสูงขึ้นไปอีกเป็นพระสวสดาบาลเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระอรหันต์สังโยชนิบละละได้หมดสังโยชน์คือกิเลสค้องใจสัตว์ไว้ไม่ให้หนีจากภพจากชาติไปได้มันคล้องใจสัตว์ไว้ผูกไวล้ลุวมๆหรอก แต่ ว, ว่าไม่หลุดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ในโลกนี้หรือมัดใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ให้หมุนเวียนเทียเเทยเท่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดลงไปได้ถูกวันไหนก็ต้องมาเกิดทุกวันไหนก็ต้องมาเกิด พอกิเลสมันคลองไว้มัดไว้เรีว่าสังโยชน์สิบภูละสังโยชน์สิบได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละจึงว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าละสังโยชน์ไม่ได้ไม่เป็นไม่ถึงไม่ถึงมากน้สกายะทิธฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน สำคัญมั่นหมายในตัวในต น, น, นสกายายิทีวิกิกฉิาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วเราทำกรรมดีจะได้ดีหรือเปล่าเนะไม่เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาเลยนี่ แลีว่เราลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าจรัสไว้นั่นทำความดีต้องได้ดีทำความชั่วก็ต้องได้ชั่วเราก็ต้องเชื่อมั่นลงไปกิจใจเราไม่หลงทางแล้วเรารู้แล้วว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญ จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ลังเลในคุณพระต้าใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้บวชเข้ามาในต้องรักษาศีลแน่นอนต้องมีศีลมีธรรมจึงอยู่ได้ต้องมีมากมีผลจึงอยู่ได้ดีบางท่านบางองค์อาจจะถึงพออาระอรหันต์แล้วอย่างนี้เราก็รู้ไม่ได้ แต่เอาผู้ปฏิบัติย้อมรู้โดยตัวเองว่าใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันรู้จักรู้จักอยู่ภายในนี่แหละเรามีโลภมีโกรธมีหลง ม, มีตัณหาทิฏฐิราคาอะไรต่างๆเรารู้ชัดในตัวของเราแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระตนาใจ เป็นที่พึ่งได้จริงสามารถนำออกจากทุกได้จริงคำสอนพระพุทธเจ้าสอนไวน้น่ไม่ไม่ผิดถูกต้องถ้าปฏิบัติตามแล้วต้องได้พ้นทุกครอบครัวผัวเมียก็เหมือนกันถ้ามีธรรมะในใจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้น่ะ ในที่หกเลยในคารวาสธรรมถ้าเราทำได้ทำเป็นหรือทำตามนั้นมันก็มีความสุขเนี่เราไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพุทธเจ้าเลยทำวินัยที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นนิยานิกรทํมนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้จริงเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ ผู้ที่จะเชื่อมั่นลงไปห่ังนี้ได้มันต้องเป็นพระริยบุคคลสวดารันขึ้นไปเราปฏิบัตินี้ถึงไหนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองใจเราวางได้หรือไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วเราวางได้เราไม่สงสัยความสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วของเราก็ไม่มีเราเชื่อมัน่นเราทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่ว เชื่อในคุณพระาตาตจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มั่นพงอยู่ในใจของเราตลอดอย่างนี้นี่แหละศีลป์พระตาปรามาสการปฏิบัติแบบทำพอเป็นพิธีทำพอเป็นตัวอย่างนิดๆแหน่นนอยอันนี้จะไม่มีในใจเราถ้าทำเราก็ทำเป็นจริงเป็นจังบาปเหตตะ คือบำาเพนความภาคความเพียรคอยเฝ้าดูใจของตนเองว่าสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละไม่ได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เราก็รู้อยู่ในใจของเราเราก็พยายามแก้ไขตัวเองถ้าแก้ไขได้หมดทั้งสามนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วทาราฆาโทสะโมหะเบาบางจากใจเรา ราคาเบาบางมีอยู่แต่มีน้อยโทสะก็มีอยู่แต่มีน้อยระทบพอดีพอร้ายมันไม่เกิดขึ้นนี่แหละเราก็ละได้เราทำได้เราปฏิบัติได้ราคาโทสะโมหะเบาบาง ถามันเบาบางก็อย่าบอมันมีน้อยคือให้ราคาโทสะเบาบางจากใจเราให้มันน้อยลงอย่าให้มันมากขึ้นนี่เราก็เป็นพระโชดดบบันเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราเป็นพระโชดาบันเนี่ยชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้น 10, สิบชิ้สองร้อยเจ็ดเราทําให้ดีนี่มันเป็นพระโชดดบันได้แล้ว คอยสังเกตใจเราอยู่เรื่อยๆกระทบอารมณ์ที่ขัดเคืองมันก็ไม่ขัดเคืองเรียกว่าปฏิฆะไม่ขัดเคืองทําไงมันก็ไม่ขัดไม่เคืองเราก็ากละก็ละได้กว่ า, ารคาคะปฏิฆะ มันไม่มีในใจของเราเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราไม่มีอารมณ์พวกนี้ไม่มีในใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีเลยบรรลุอนาคามีแล้วท ล, ละสังโยไดสิบอวิชชาหมดไปดับไปไม่มีในใจเรา เราก็สบายอาวิชาไม่มีในใจความไม่รู้ในระยะสั้นสีไม่มีในใจเราเลยมันชัดเจนอยู่ในใจตลอดเห็นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดนี่มันก็เป็นพระอาหนไปแล้วรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆทุกอย่าง ทั้งที่เป็นอารมณ์ดีทั้งที่เป็นอารมณ์ชั่วทั้งที่เป็นบาปทั้งที่เป็นบุญมันรู้ทันหมดเข้าใจหมดรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาในใจหมดนิวรณนทั้งห้าดับไปหมดเลยอวิชาก็ดับถ้านิวรณ์ห้าคืออาหารของของอวิชานยังมีอยู่ อวิชาก็ไม่ดับคือคือเป็นยังมีอาหารอยู่แดี๋ยถ้าเราละได้หมดไม่มีนิวรณในใจของเราเลยนิวรณห้านั้นไม่มีเลยกามาันท่าพวกนี้ไม่มีเลยนิวรณห้านี่ มันเป็นมันก็ละอวิชาได้มันไม่ติดไม่ขัดมันไม่เข้าไปหลงอีกมันกลัวกลัวโทษกลัวทุกข์กลัวบาปกลัวกรรมมันวางหมดมันละได้หมดมันไม่ยึดติดมันไม่เห็นเป็นของดีของงาม ในกามทั้งหลายมันละมดความไม่รู้ในญาติศสีมันก็รู้แจ้งชัดขึ้นมาในใจของเราหมดอันนี้เรียกว่าเราถึงที่สุดเราละสังโยชน์สิบได้พบน้อยพบใหญ่ไม่มีในใจของเราเลยเราก็ไม่ได้ไปเกิดในภพไหนภูมิไหน ก็เป็นผู้อิสระอยู่เหนือกองกิเลสอยู่เหนือกองทุกข์ทั้งพวงทุกมีอยู่แต่ว่าใจเราไม่ทุกชาติมีอยู่แต่เราไม่เกิดอีกเพราะบทการเกิดบทการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ ให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเหมือนลิ้นงูในปากงูท่านพุทธทาสท่านว่าลิ้นงูในปากงูเราอยู่ในโลกในวะตฏานี้เหมือนลิ้นงูในปากงูท่านเขียนไว้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยว่างั้นเถะนะ มันอยู่ด้วยกันแต่ถ้านิ้วมือของเรายื่นเข้าปากงูมันก็มีพิษมีัยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางเราก็ตายพิษจากเขี้ยวจากมันกัดมันขบมันนั่นเรามันก็ต้องลำบากอีกสมมติเราเอามือเราสอดเข้าไปในปากงูนี่ มันกาดกรับเท่านั้นแหละพ่นพิษใส่พร้อมไม่ถึงชั่วโมงเราก็ตายลเลยมันคนไปหากบหาเขียดตามไรตามนาห น, น้าแรงเห็ดเป็นรูอยู่แล้วก็เอามือล่วงลงไปจะไปจับเอากบเอาเขียดแต่มันไม่ใช่กบใช่เขียดอยู่ในรูนั้นมันเป็นงู มันกัดเราครับเราตายเลยอยู่ไม่ได้ต้องตายเนี่ยเป็นอย่างนี้เราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันโลกกระทาแปดโลกกระทาแปดมีลาบยศเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาสะละเสิญสุขทุกข์ นี่ว่าโลกจะทำเปรได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับนินทาได้รับสารเสริญได้รับสุขได้รับทุกข์กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนใจเราอยู่ตลอดแต่ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ใจเราก็เป็นเหมือนลิ้นงูในปากงูมันไม่ทุกข์ ได้ยศก็ไม่ทุกเสื่อมยศก็ไม่ทุกได้ลาบก็ไม่ทุกเสื่อมลาบก็ไม่ทุกถูกนินทาสรรเสริญ น, นินทาเราก็ไม่ทุกสรรเสริญเราก็ไม่ทุกได้รับสุขได้รับทุกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่เป็นทุก ได้สุขก็ไม่เป็นทุกข์ได้ทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์นีกวก็ไม่หมุนเวียนไปตามอํานาจของสิ่งที่มาโยโยนกวนใจเดี๋ยวโลกกระทำแปดใครมาอยู่ในโลกนี้ไม่เจอโลกกระทำแปดไม่มีเหมือนคนที่ลงไปทะเลมหาสมุทรนี่ไม่เจอคลื่นไม่มีหรอกคลื่นในทะเลมหาสมุทรนี่มันต้องกระทบเราตลอด นี่จะหาความสงบยากขึ้นกระทบฝั่งอยู่ตลอดเราลงไปมันก็กระทบขากระทบตัวเราแน่นอนนี่แหละมันเป็นอย่างนี้โลกกระทั 8, แ่แปดมันมีอยู่กับทุกคนมันกระทบเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้ว มีมากมีผลในตัวแล้วมันรู้ทันเราไม่ไปเอาเราไม่ไปยึดถือเราวางเราก็สบายเขาด่าเราก็สบายเขาสรรเสริญเราก็สบายเขานินทาเราก็สบายดนรับสุขรับทุกเราก็สบาย อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนี่แหละเรียกว่าจิตเข้าถึงธรรมแล้วถ้ากินเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยมันสบายไปทั้งนั้นแหละมันไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเข้าไม่ถึงธรรมมันก็ยังมียึดมีติดอยู่ มันยังคล้องอยู่มันยังดิ้นรนอยู่มันยังอยากอยู่ถ้ามีอยากอยู่ก็ยังมีทุกอยู่ถ้าไม่มีอยากลาบมันก็ไม่อยากยศมันก็ไม่อยากนินทามันก็ไม่อยากสันเริญมันก็ไม่อยากสูกมันก็ไม่อยากทุกข์มันก็ไม่อยากมันวางได้ มันทําสบความสบายให้ตัวเองได้ก็เรียกว่าเราละได้เราก็มีความสุขเรามีความสบายเรามีความปล่อยวางเรามีความไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายในวัฏสงสา ร, รไม่อยากมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกแต่เราคนเราเมื่อก็ยังอยากเกิดอยู่นะยังอยากเกิดอยู่ เราต้องแก้แก้ความเห็นที่ผิดของเราออกไปทำไงเราถึงจะไม่อยากเกิดเราก็ต้องแก้ไม่อยากเกิดไม่อยากมาเกิดอีกคนเห็นโทษแล้วมันถึงไม่อยากมาเกิดถ้ายังไม่เห็นโทษมันยังอยากมาเกิดอยู่นี่แหละ เป็นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติไปอย่าท้อถอยไม่ใช่ว่าทำเฉพาะเจ็ดวันแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นให้ทำทุกวันได้มากก็เอาน้อยก็เอาให้ทำแม้แต่หาเวลาไม่ได้ยืนอยู่พักหนึ่งกะ เราก็ทำดูเราลองทำดูเราก็จะเห็นใจเราตลอดกระทบอารมณ์อะไรเราก็สบายเราก็วางได้อยู่ในโลกนี่ก็ไม่ไม่ถูกเขี่ยวของวัตตะหรือของโลกอันนี้เขี่ยวของโลกคืออะไรล่ะ ก็ได้ลาบเสียมลาบได้ยดเสียมยดนั่นแหละนินทาสะละเสรอนสุขทุกข์นั่นเองนั่นแหละเขี่ยวของโลกเลยเราทำงานอย่างนี้ก็ไม่ใช่แบบไม่ไ ม, ไม่ไม่มีนะไปหลงเมื่อไรไม่ได้หลงว่าโอ้เราดีเราเก่งไม่ได้ต้องทำใจ อยู่ตลอดเวลาต้องกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าความยั่วโสหังอะไรต่างๆเราไม่มีมานะทิถีอะไรเราไม่มีเราทําไปด้วยความเมตตาเราทําด้วยความระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นแก่เราได้มานะทิถีอะไรต่างๆ เราวางอาหมดเราอย่าให้เกิดถ้ามันยังเกิดความกินดีพอใจอยู่ละเลงหลงอยู่นั่นแหละสักวันหนึ่งก็เจอแหละเหมือนท่านไตรบูรพูดนะในพระไตี่โลกในพุทธพจนะ์พูดไว้อะ หน้่าฟังนะต้องแก้ไขสีไลไม่ดีต้องแก้ไ ข, ไ แ, กไขแก้ไขให้กับตัวเรานี่แหละให้เราดี ให้เราถึงความสุขความเจริญอย่าให้หลงถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่มาเกิดอีกหรอกถ้าหลงอยู่ก็ต้องมาเกิดอีกเพราะความโลภความหลงอันนี้ให้เรามาเกิดให้เราเป็นทุกข์ ใ ห, ให้เราดิน้นรนขนกวเพื่อจะได้มาเกิดในโลกนี้จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่แน่นอนแล้วกิเลสของคนมันหนาขึ้นมันหนาขึ้นยิ่งอายุน้อยลงเท่าไหร่ ระดับอายุของคนน้อยลงเท่าไหร่กิเลสของคนก็ยิ่งหนาขึ้นดูหน้าตามีศีลมีธรรมแต่จิตใจไม่มีศีลมีธรรมนั่นจิตใจของคนกิเลสของคนความทุกข์ของคนค มันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดอายุสั้นลงเท่าไหร่กิเลสหรือกองทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนนท่านเทวุล์อ่านไว้อายุของคนน้อยลงกิเลสของคนมากขึ้น ถ้าคนปฏิบัติทำแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่มากขึ้นมันจะลดลงกิเลสมันจะลดลงบาปอากุศลมันจะลดลงผู้มาปฏิบัติแล้วนี่ไม่ทิ้งหรอกความดีนะที่พูดก็พูดไปเพื่อว่ามันจะเป็นแต่ว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันมันรู้ มันรู้แล้วมันรู้แนวทางแล้วสิ่งไม่ดีมันไม่ทําแล้วเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติเราเห็นใจของเราแล้วสุขก็เห็นอยู่ที่ใจนะ่ะทุกข์ก็เห็นอยู่ที่ใจนะี่แหละเราเห็นแล้วความเกิดกับใจเรานี่แหละไปเกิด ความแก่ก็อยู่ในใจของเราเนี่ยแหละเห็นความแก่ความเก็บความตายอะไรต่างๆก็เหมือนกนหมดมันเห็นชัดมันวางความยึดความติดได้ถ้ามันวางไม่ได้มันทุกข์มันก็ยังมีอยู่ถ้าวางได้มันก็ทุกข์หมดไป ท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็มรู้ทําไงแหละปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็มหาหัดใจของเราให้มันเป็นเป็นหนึ่งเงียบลมเดียวนี่แหละถ้าใจเราเข้าถึงความสงบรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในสิ่งที่เรียกว่าความยึดความติด เราวางได้เราทิ้งได้เราละได้เราเลิกได้เราเข้าใจได้แล้วก็สบายขึ้นมาการที่สบายขึ้นมาเนี่ยแหละก็มันก็เลิกละสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนั่นมันก็เป็นการปฏิบัติทำแล้วอันน แต่ถ้ายังละยังเลิกไม่ได้มันก็ยังไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมเพอยังละยังเลิกไม่ได้ยังทิ้งยังถอนไม่ได้จะมีความยึดความติดอยู่ทุกข์มันก็ยังมีอยู่เราต้องแก้โดยการปฏิบัติให้มันเข้าถึงแต่ผู้ปฏิบัติก็พอรู้แล้วล่ะ ว่าอะไรเป็นอะไรมาปฏิบัติคราวนี้ได้ความสงบใจได้ความสบายใจแค่ไหนเราก็รู้อยู่แล้วเราเห็นใจของเราแล้วใจของเราไม่สบายหรือไม่สบายอะไรต่างๆเรารู้เลยสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เรารู้พอรู้ใจตัวเองก็รู้ธรรมะเลย รู้ธรรมะในใจรู้กิเลสในใจรู้แล้วถ้าใจเรามีธรรมะมากขึ้นกิเลสมันก็ถอยออกถ้าใจเราไม่มีธรรมะกิเลสก็ ร, รุมเข้านั่นแหละเหมือนมแมลงวันตอมขยะเนี่ยถ้าเราไม้ตีปุ๊บ มันก็วิ่งหนีมันก็บินหนีไปทางอื่นเพราะเราหยุดไม่ทำมันก็ลุมเข้ามากิเลสก็เหมือนกันถ้าเราแก้อยู่ปฏิบัติธรรมอยู่มันก็ถอยออกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็รุบเข้าให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน ให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจนะก็อย่างที่เรามาปฏิบัตินี่แหละสองสามวันแรกโอ้ยอยากลักหนีถ้านี้ได้จกจะหนีเลยบางคนก็หาข้อมาบอกว่ามีธุระจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทนไม่ไหวอะ่ะพอสี่ห้าวันหกวันเจดวันเอามันเบาสบายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบานนี้มันสบายเล้วไม่อยากนีบ้านนี้อยู่ไปก็อยากขออยู่ต่ออ่ารอคดหน้าคดต่อไปอีกอันนี้ทางวัดเราก็ไม่อนุญาต ไม่น่าให้อยู่เพราะว่าไม่มีคนดูแลมันจะเป็นความลำบากของผู้ที่ขออยู่ต่อทั้งแม่คีแม่าขาวนั่นแหละทั้งญาติทั้งโยมนั่นแหละมันไม่มีคนดูแลถ้าถึงคอตเราถึงพร้อมพลังกันให้กลับไปปฏิบัติที่บ้าน ให้ไปสู้เหมือนนักมวยนี่ฝึกซ้อมอย่างดีแล้วต้องขึ้นเวทีต้องโชคเขาตัดสินว่าให้โชคก็ต้องโชคจะไปรังเลอยู่ไม่ได้กลับไปบ้านแล้วจะเห็นจะเห็นว่ากิเลสของเรานี่มันหนาขึ้นมันมากขึ้นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปเรื่อยละ สารพัดอย่างเราทํารรมาที่เรามีในใจนี่ใจเราเข้าถึงธรรมะนี่ไปต่อสู้แก้ไขให้เราอยู่ได้ในโลกนี้เหมือนลิ้นงูในปากงูนั่นแหละอยู่ในโลกได้ไม่อึดอัดไม่ขัดข้องอยังทําใจให้สงบได้ยังทาใจให้สบายได้ นี่แหละเราปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างอื่นนี่เพื่ออยู่ในโลกได้อย่างสบายตายไปแล้วก็ไปสู่ภูมัมนสบายถ้ากิเลสหมดแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไม่มีพบภูมิในต่อไปไม่มีพบภูมิสูงต่ำอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ถึงอรหรัน เราก็มาเกิดน้อยลงอย่างที่อธิบายมาให้ฟังแล้วนะเราก็เกิดน้อยลงเกิดก็เลือกเกิดได้อายาภูมิเราไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวในที่สุดเราก็สำเร็จเป็นพระราหารันนี่เพราะปฏิบัติธรร ม, มจริงนะั้นนี่ยมันได้ผลนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลหรอก บอกว่าเราหนีจากกิเลได้แล้วมันก็หนีไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมกิจยังไม่สงบกิจยังไม่รู้แจ้งกิตมันไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในอะไรไม่รู้แจ้งในอริยสัจสีนี่แล้วไม่รู้แจ้งในอริยสัจสีนี่แหละมันไม่เห็นชัดในอริยสัจสี มันจึงไม่เห็นโทษของวัตสสุสารเราจึงเกิดแก่เก็บตายอยู่ตลอดเวลาเราปฏิบัติเนี่เราปฏิบัติเพื่อห น, นีทุกข์หนีทุกข์ของโลกถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นแล้วก็หนีทุกข์ได้มันไม่ทุกข์อีกมันสบาย มันไม่กลับมาทุกข์อีกการปฏิบัติธรรมนี่คือหาวิธีหนีทุกข์ทุกข์อะไรอ่ะทุกข์ความแก่ความเก็บความตายความโศกความลํำไรลำพันธ์ความปรารถนาสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนั้นไม่สมความปรารถนาอยากได้ก็ไม่ได้อยากมีก็ไม่มีเป็นไปต่างๆ อยากรวยมันก็ไม่รวยเพราะไม่ได้ทำบุญไว้อยากได้ยศได้ตำแหน่งมันก็ไม่ได้อยากได้นั่นอยากได้นี่มันก็ไม่ไ ด, ไ ด, ไ ด, ไได้เพราะบุญเราไม่มีกุศลเราไม่มีความดีเรามีธรรมะของเราไม่เกิดมันไม่เกิดกับใจของเราเราต้องทำให้มันเกิดให้มันมี ให้มันเป็นทานเราก็ต้องให้ศีลเราต้องรักษาภาวนาเราต้องปฏิบัติครบหลักสูตรเลยต้องให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นหัดภาวนาเป็นเรียกว่าหัดปฏิบัติธรรมหัดทำความดีให้กับตัวเอง การฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตายไปแล้วมีความสุขจะว่าให้หัดปฏิบัติธรรมจึงมีการเปิดให้การสอนปฏิบัติธรรมขึ้นมาเราต้องช่วยกันหลายฝ่ายทั้งครูบาอาจารย์ทั้งญาติโยมผู้ช่วยงานทำแม่ครัว หลายเรื่องฝนตกฟ้าร้องอกิ่งไม้หักใสสายไฟขาดไฟไม่มาอา้าวหนักเลยทีนี้น้ำก็ไม่ไหลแล้วไฟก็ไม่สว่างแล้วอาหารก็ไม่มีกินแล้วก็ยุ่งไปหมดแล้ว แต่นี่พร้อมใจกันทุกฝ่ายแม่ครัวก็ต้องพร้อมใจเงินทองที่หยาดยมไปจากไว้ก็เอาไปซื้อเลี้ยงรุ่นนันรุ่นนี่ไปเรื่อยพระนิรนก็ต้องพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยต้องทำทุกอย่างช่วยกันทุกฝ่าย ผู้ช่วยกานทําก็ต้องตื่นตั้งแต่ทีสามทีสี่ใครมาใครไม่มาใครยังไม่ตื่นคอยตักคอยเตือนกันให้มาครูบาอาจารย์ก็ต้องอดต้องทนเหนื่อยเมื่อยขนาดไหนก็อดทนเพื่อที่จะทําสิ่งที่ ประเสริฐสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่กจิตใจของผู้มาปฏิบัติพู ด, ดง่ายว่าช่วยกันทุกฝ่ายทั้งผู้มาปฏิบัติก็ช่วยครูบาอาจารย์ก็ต้องช่วยช่วยให้ญาติโยบเข้าใจในหลักการปฏิบัติว่าทาไงถึงจะได้ผลถึงจะเกิดมาเกิดผลขึ้นมา จปะปฏิบัติอย่างไรตามอริยะไม่มีองพตปฏิบัติอย่างไรก็อสอนก็ อ, อบรมเทศนาว่าการให้ให้ฟังให้ได้ผลดีเท่ากับเสียสละเวลามาเป็นเวลาเจ็ดวันแปดวันเก้าวันนับเดินทางกับนับเดินทางมาทั้งเก้าวัน เรามาแล้วเราอย่าให้มันขาดทุนได้แล้วกลับไปต้องปฏิบัติต่อหาทางคอยกำหนดรู้ใจให้ทำอย่างนี้แหละให้อดให้ทนให้ต่อสู้เพื่อความดีของเรานี่แหละ เพื่อความสุขของเรานี่แหละเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อหาดีให้กับตัวเองเพื่อทำความดีตามคามสอนของพระพุทธเจ้าให้เราถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติเราบำเพ็ญคุณงามความดีเราไม่ทอถอย เราไม่ทิ้งเราเคยทำอย่างนี้ก็ทำกลับไปแล้วก็ต้องทำต้องปฏิบัติต้องหัหัดชำระจิตจากนิวรณ์จากกิเลสทั้งหลายอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเสียสละเพื่อตนเองสักระยะหนึ่ง แค่สามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเราทำไม่ได้เจอรื อ, รอถ้าเรากลับไปแล้วเราทำยังทำอยู่มาอีกมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ได้อยู่เท่าเดิมหรอกปฏิบัติตามทำปฏิบัติสมควรแก่ทำ โลกนี้นะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าเราปฏิบัติดีอยู่โลกนี้ก็เป็นโลกที่เราได้ประโยชน์เราเกิดมาชาตินี้คุ้มค่าเรามาแล้วเราทำได้ทำเป็นมันคุ้มค่าแล้วไม่ผิดหวังแล้ว นี่แหละต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆปฏิบัติแบบรูปแบบแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องหาช่องหาจังหวะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกให้ได้เรียกว่าปฏิบัติอยู่เรื่อยๆกระทำอยู่เรื่อยๆ ทำอยู่ บ, บ่อยๆให้หัดทำ บ, บ่อยๆให้หัดปฏิบัติ บ, บ่อยๆเราก็จะได้ความสุขความเจริญในธรรมของคุณเจ้าเราก็จะเห็นกิเลสเห็นใจของเราว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนให้ต่างใจปฏิบัติ อย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราได้ยากเสี ย, ยากเนี่ยเราอย่าทอดทิ้งเราต้องทำให้มากจเจริญให้มากทำให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโภทายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดี นิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกิเลสกองทุกทั้งปวงเรียกว่าถึงพระนิพพานถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วย่อมถึงพระนิพพานได้ทันทีทีเดียวมันไม่หนีไปไหนหรอกเราตรงได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละมันถึงไม่ได้ เกิดมาเสียชาติเสียเวลาเฉยๆถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันต้องได้ต้องถึงถ้าทาถูกทาถูกต้องตามธรรมแล้วตามมักมีองค์แปดแล้วมันไปได้ตลอดรอดฝั่งถึงความสุขความเจริญได้แน่นอนให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป